ทั้งใจฟังจะอธิบายถึงเรื่องหลักหลักของโลกหลักของธรรมเหมือนกันมันต้องมีหลักเึง่จะมั่นคงถ้ามันมีหลักแล้วทำรรกิจการงานในทางของมดมันก็เลียวไหลหลักคือหัวใจ โลกถ้ามีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทำถ้าไม่มีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใจเป็นของสาคัญถ้าพูดถึงเรื่องใจแล้วมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดต้องพูดถึงใจนั่นแหละอย่างทาทานมีนกุศลเจตนาอยากจะทําบุญําทานก็เรียกใจมันกับเจตนาคือใจ น, นั่นแหละรักษาศีลก็วิริตีเจตนาก็คือใจ น, นั่นแหละทำสมาธิภาวนา ก็สำรวจใจเอกให้เป็นเอกรัษารมณ์ก็ใจนั่นเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้รอบใจนั่นเองเพจนี้อย่างว่าพระพุทธศาสนาสอนใจท้งนั้นแต่คนเราไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องออสอนทั้งเรื่องใจเป็นเรื่องของกรรมฐานสอนทั้งเรื่องใจเป็นเรื่องของวัดเป็นเครื่องเรื่องของชาววัดชาวบ้านนี่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องเอาละอย่างนี้แหละเป็นตนเหตุนั้นศาสตร์เหตุนั้นคือศาสดาที่ไม่ถูกศาสนาคือไม่เข้าถึงใจนั่นเองแต่ไหนแต่ไรมา ละเหลืองิ้งมดไม่เอาใจใส่แต่ก็พูดถึงเรื่องใจอยู่เหมือนกันคนไม่เอาใจใส่ในการางานคนไม่มีสติหัางเผลอล่องลืมคนเผลอเลอะทำมันนั่นนี่ทำมันั่นนี่อะไรต่างๆจดจับจับจดอะไรต่างๆก็พูดถึงเรื่องใจเหมือนกันแต่หาไม่ ไม่ไม่เอาตัวใจจริงๆเหตุนั้นียงว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องใจเรื่องสมาธิต้องหัดที่ใจเสีก่อนถ้าหากแล้วไม่รู้ใจไม่เห็นตัวใจหัดสมาธิมาเอร้าะไปหัดตรงไหน ทำปฏิริกรรมที่เราเคยอบรมมาภนาปาสติก็ดีพุโทโธก็ดีหรืออะไรก็ต่าง ต, ต่างก็ตามเนับเพราะนานนั่นให้ใจไปอยู่กับ น, นั้นที่คำปบริกรรมของเราน่ ทำให้จิตแน่วแน่แนอยู่กับมบนั้นทำปฏิกรรมนั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าเครื่องล่อให้จิตมาอยู่รวมที่เดียวสักไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรหรอกเป็นประโยชน์เบื้องต้นให้จิตมารวมอยู่นั้นแต่แท้ที่จริงนะถ้าทําสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วมันวางเองมันปล่อยวางเอง ไม่คไ ม, ไม่ไม่กำหนดเอาหรอกถ้าจิตเป็นสมาธิแล้ลืมหมดตนตัวก็ไม่มีหายว่างหมดแต่ถึงขนาด ถ, ถึงขนาดนะั้นก็ยังไม่เห็นใจอีกสักไม่เทือดแต่ความว่างไม่เทือดแต่ความไม่มีอะไรนั่นนหะ มันต้องมีผู้รู้สิมันมีผู้รู้อันหนึ่งสิที่ว่าว่างที่ว่าสงบที่ว่าสุขที่ว่าเห็นภาพ น, นิมิตอะไรต่ามันต้องมีตัวผู้รู้เถ็นว่าให้ถือเอาตรงผู้รู้นั้นจังหัดภาพนิมิตและสิ่งที่เห็ น, น, นต่างนั้นใจสองลงไปเห็น ส่งออกไปเห็นมันอยู่นอกจากใจใจนั้นส่งไปเห็นภาพนิมิตต่างๆแั้นก็ติดในภาพนิมิต่นั้นลืมย้อนกลับมาหาตัวจริงชั้งเมื่อเราย้อนกลับมาหาตัวจริงคือผู้รู้จริงทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักว่า ของภายนอกแล้วก็จากอระตูจิตประตูกลูนั้นเราไม่เป็หลงยึดถือเาสิ่งที่เห็นนั้นสิ่งที่เห็นนั้นหายไปมันก็หายไปเองที่เราไม่ยึดถือมันหายเอยงแต่จิตของเรายึดเรายึดมาตัวยจิตของเราอยู่ ไม่ได้หายไปกับอันจิงที่เราเห็นนั้นถ้าหาไปยึดจิ่งที่เห็นไม่ยึดเอาตัวใจตัวจิตตัวใจสิ่งที่เห็นนั้นมันหายไปก็เลยหายหมดไม่จีบจิตกระัวของเราแต่บางคนก็มีหรอกที่ฮาร์ดชำยิ่งชำนาญ จนเกิดบ่อยๆอัน่นจริงที่นิมิตเห็นบ่อยๆแล้อยู่กับ น, นิมิตนั้นแต่ถ้าถามถึงความจริงแล้วคนนั้นหาได้รู้ตัวใจไหมตัวใจจริงแท้นระือมันไม่ยังไม่เห็นหรอกใจถ้าอยากจะเห็นนะถ้าอยากจะรู้นะ ทดสอบทดลองดูไ ด, ด, ด, ด้ตนเองก็รู้ได้แล้วกลั้นลมหายใจสักพัดหนึ่งเข้าใจจะกลั้นได้แล้วได้กลั้นอนี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกลั้นอยู่คนเดียวก็ได้ในขณะที่กลั้นลมหายใจนั้นมีอะไรบางอยู่นั้นบอกว่าไม่มีอะไรเลย นราอยากความเฉยอดีตอนาคตไม่มีเฉยอยู่ตัวกลางตัวเดียวว่างเฉยอยู่เท่านั้นะอันนั้นแหละตัวใจให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละตัวใจแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นานรู้ไมใ่ใจอยู่ไม่ได้นานช่วระยะ อ, อ, อึดอัดมใ่ใจเท่านั้นแหะ ระบายออกมาแก็ระบายลงออกมากล้วเลยส่งไปตามลมอีกก็สมกับที่ว่าลมหายใจจริงๆที่จะเอาให้จริงๆอย่งางนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องต้องพิจารณาถึงเรื่องคำบริกรรมอย่างอธิบายในเบื้องต้นอนาปาสสติก็ดีดมิวโทรก็ดี จนเห็นกระทั่งเห็นใจตัตนอยู่ในพุทโธอยู่ในนาปาสตินันแล้วอย่าไปถืออ่อนนั้นให้ค้นคว้าหาตัวผู้รู้อีกผู้ไปนึกพุทโธนั่นผู้นึกวันนาปานั่นนะพอจับตัวนั้นได้แล้วไอ้ที่เราหายใจก็ดีหรือพุทโธก็ดีหายหมดเข้าถึงตัวกลาง น, น, นั่นในจริงจะเป็นของเป็นจริงแท้อดีตอนาคตไม่มีแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอะไรต่ออะไรทั้งหมดเข้ากับจิตที่ธนว่าจิตต่างประพัดสรังจิตเป็นของเรื่องประพัดสอนวิเลชเป็นอคันทุกกะจอนมาต่างหา ไม่ใช่จอนมาแต่จิตจะไปยึดเอาถ้าจิตอันนั้นไปยึดเอามันก็กลับเขรามันก็มีเครื่องยุ่งเหยิงเข้ามาขุนมัวถ้าหากล่าทาอย่างที่ว่าไม่มานั้นจิตจะกลับเรื่องมาคัดสอนเองจิตนี่ถ้าหากว่าเศ้าหมองตลอดเลลวลาหรือสิ่งที่เศ้าหมองอยู่แล้ว ทำยังไงไหงไงก็ไมไม่ค่องใส่ใดย่างดินเผาก็ดีลืกเล็กก็ดีมันไม่ไม่มีการคองใส่อะไรดอกคัดทักเท่าไรเท่าไรก็มันก็อยู่แค่นั้นแหละไม่เหมือนเพชรไม่เหมือนมินไม่เหมือนเพชรเพชรจะไม่ของคองใส่อยู่แล้ว ตกอยู่ในดีในน้ําขึ้นอะไรจะมาเกิดกัางให้เกิดเสาหมอกก็ตามถ้าขาดตัวเรื่องกรฟองใส่ตามเดิมจิตของเราก็เหมือนกันจิตของผู้ใจเจ้าและสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันก น, กนั่นความมองใส่แต่เดิมเรียกว่าจิตตางกระพรังเป็นความมองใส่มาแต่เดิม นั no ่นแหลนค้นหาตัวเดิมมาห่วงทำมันได้เลยก่อนตัวเดิมแท้ตัวนั้นเนอะที่เป็นหลักที่จะตั้งที่จะหัดทำามาธิบนอาหลักเอาตัวนั้นแหละมาเป็นหลักไว้เลยก่อนถ้าไม่ได้หลักก็เลี้ยวไหลเหมือนกันทำไปกี่ปีกี่ปีก็เลี้ยวไหลจะทําดีวิจัยวิสุทธะเท่าไหรก็เลื้อเลี้ยวไหลเหมือนกันถัดจับใจตรงนั้นได้แล้ว มั่นคงเลแล้วมันถักค่อยเป็นค่อยไปคลับไม่ใช่แบบสมเร็จพระขนิษฐาลุ่ล่วงสว่างมดทีเดียวความคาดชะเณของคนหรอกจับใจตัวที่มันเป็นกลางนะมันสว่างสวอยู่เสมอเสมอมันเข้ามาส่ร้าหมองอับพิจารณาให้มันฟองใสอย่างนั้นถห้มันสะอาจอย่างนั้น กิเลสทั้งหลามันค่อยหมดไปค่อยหายไปค่อยน้อยไปหายไปมันหักจะหมดเองมันหรออย่าไปเร่งร้อนเลยทำกิเลหมดเร็วมันก็เกิดเร็วเท่านั้นสิที่เขาทําใ ห, หเนเน้เร็วมัวแต่เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเร็วเร็วยิ่งเกิดขึ้นมามากกว่าเก่าอีกตั้ทีิเลสมันของหลายอย่างหลายเรื่อง มันสลับซับซ้อนเพื่อที่จะพัา น, นานับจะพัฒ น, นาพัฒนาให้เรื่องหลายอย่างค่อยเห็นตัวนั้นได้ก่อนให้ชหน้าตัวนั้นอนะ่ะให้มันฟองใสได้ก่อนพอเศร้ามองก็สมองตัวนั้นฟองใสฟองใสตรงนั้นเศร้ามองเพรากิเลสฟองใสเพราะหมดจากกิเลส นของหลายอย่างหลายเรื่องที่มันมัวหมองเท่าหมองอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็เป็นของสิเกเรทเท่านั้ น, น, นอย่าไปอยากรู้เลยอยากรู้นั้นโน่นนี่อะไรต่างหลายอย่างมันจะรู้มันรู้เองมันหรอเห็นเทพประภูตเทพประดาย็นพรมหมเห็นนรกสวรรค์เห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างโอ้ยไปใหญ่เลยตัวเห็นมันก็นมาเศร้าหมองใจนั่นแหละ ใจไปอยู่กับเรื่องเห็นนั่นแหละมันดีความใจกับเรื่องเห็นนั่นก็สร้างหวงแหละ เ, เขาจะไปจิตของใ่ยังไปเห็นเพียงแค่เห็นเท่านั้นมันเห็นอดีตอ น, นาคตมันเป็นสัญญาไม่ใช่หรืออนะันนั้นสัญญาคงจดจำเราจำไว้แต่ก่อนถ้าไม่จำยังไง อางเห็นเทสะบูตรเทพรดามก็เป็นอย่างรูปภาพที่เราเคยเห็นในโบสถ์นั่นแหละเห็นนรกสวรรค์ก็เห็นอย่างนั้นแหละอย่างเห็นภาพเขียนเข้าเขียนไว้นั่นแหละทันยามุนั่นแหละแล้วมาเห็นแล้วมาจะผ่องใสไรจิตไม่เห็นไม่เห็นผ่องใสไรขึ้นมาเลยเราทําใจให้ผ่องใสเท่า น, นั้นแหละทั้งหมดเรื่องกันถูกต้องตามพุทธศาสนาตั้งสอนไว้แล้วตัวใจตัวนั้นเป็นของสัมพัญ จะให้ลึกยังยังให้หยึดหลักไวเป็นของสําคัญที่สุดใจกับจิตมันต่างกันจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งปัญญาหนึ่งอันเดียวกันนะั่ะแต่มันรักษณะต่างกันจิตคือผู้คิดใจเอไปคิดเอาไปคิดอะ ไ, ไเรียกว่าจิต สติคือความตั้งใจให้มัน่นก็ตั้งใจ น, นั่นแหละสติแปลว่าตั้งใจในหะ้ใจนั่นก็แปลว่าใจอยู่แล้วก็ตั้งมนะั่นไปลกับตัวสติตัวนั้นตั้งมนะังนแปลแ ต, ในะตในะ่ใจนั่นแหละปัญญาที่รอบรู้กับตัวใจนั่นเองข้ามใจมีปัญญายังไงใจนั้นเป็นของกลาง อยู่ตรง ก, กลางไม่มีบาปมีบุญไม่มีดีไม่ชั่วเลยมันจึงคล่องใสไม่มีอดีตอนาคตสภาพทุกอย่างไม่มีทั้งหมดถ้าหากว่าใจตั้งอยู่ตรงกลางแล้วนะั้มีความรู้สึกที่เฉยในการที่ทำความรู้สึกกันนะ่ะถ้ามีความรู้สึกเฉยเราคัดได้อย่างนี้ มันจะได้ไม่ไ ด, มได้พาให้เราไปกดไปกดแกงไปในที่ต่งตางๆ <c oughs> <c oughs> มันจะคิดก็ได้จะให้มันคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ <c oughs> อยู่ในวัคซับมุตนแล้วถ้าอยากจะคิดก็คิด มันมีสติรู้ตัวรู้รู้เรื่องทุกอย่างทุกประการในในคิดถ้าในคิดมันก็เฉยอยู่ถึงรู้จักต้องมันเฉยอยู่นั่นแหละจึงว่าใจเป็นของเราอันนี้ใจของของที่เกิดจากเราแทะอยู่กับเราแทะแต่หากไม่จะหากมันคับใจไม่ได้ให้ใจบรรทับตนเอง คนทั้งหลายยัค่อยเดือดร้อนนู่นนวลนี่ตาละพัดถังหลวงมดทุกสิ่งทุกอย่างเดือดร้อนนวลนี่เพราใจแค่ๆทีเดียวใจเป็นจิตอย่างอธิบายัฟังมาแล้วถ้ากลับไปเป็นใจแล้วไม่ลองคิดดูอย่างแล้วคิดโกรธคนอื่นไปก็าตามที่ไม่ชอบใจใจิตจะไปคิดไม่พอใจ น้อยใจโถงและทัดแค้นในงต่างกับคนอื่นท้ า, าใจเป็นกลางให้เป็นกลางแล้วเรื่องอะ้นก็ไม่มีอะไร ไ, ไม่เดือร้อนหัวใจเลยเพราะกลางก็เฉยๆอยู่เลยถึงว่าเอาสอติดันไปรักษาจิตไปคุมจิตจึงจะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อเป็นใจได้ นี่อธิบายทั้งเรื่องหลักของภาวนาต้องอาศัยอันนี้จึงค่อยได้หลักมั่นคงถ้ามีอันนี้แล้วก็ ม, มีหลักมั่นค ง, งจงตั้งใจทำใจใ ก, กลางๆลงแต่ก่อนบตนต้นค่อยทำให้ใจให้ยินเย็นลมสม่บเสมอจะคิดหน้าคิดหลัง ให้ปล่อยวางไม่เฉยให้เป็นกลางๆ ก, ก็จะเข้าถึงตัวนั่นแหละตัวกลางตัวอนั้นแหะแต่มันไม่อยู่นานเมื่อตัวกลางๆ ล, ลงไปแล้วนึกเอาคำพิกรรมที่เราปอใจจะเอาได้ก็เอาเอาพุโทโธหรือเอาอนาปะสติก็เอาเอาไปใส่ตรงนั้นเอาไว้ตรงนั้นไม่จังเอาไว้ตรงหัวใจหรอก ใจไม่มีไม่มีนอกมีในอะไรหรออยู่ไหนเหมือนการมัดที่ตรงกลางมันกลางตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นน่ะนึกคาบริกรรมใส่ตรงนั้นน่ะมันอยู่แน่วแน่เต็มที่อยู่นานแค่ตัวใดก็เอาเดี๋ยวมันจะหายแปลงคำปฏิกรรมอย่าไปนึกถึงมันอีกแล้วให้กำหนดเอาผู้ที่ เรานึกว่าพุโทโธหรอหน้าฟ้าสติกก่าอภิญญาตัวนั้นนะ <c oughs> ถ้าอยังว่าฉันอยู่มันจะถอนออกมาอีกเมื่อถอนตรงวุ้นวี่วุ่นวายไปสามเรื่องแล้เอาพุโทโธนะมาไว้ตรงนั้นนะ่ะที่ตรงกลางนั่นอีกมันต้องเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละ จนกระทั่งแหลกแล้วมดกลัวที่มันจะวางลงไปได้กว่านี้มันจสงบหนึ่งแนวไม่ใช่ของง่ายง่ายของยากแต่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ชินติถ้าผู้เป็นนิดเดียวจับตัวใจได้เลยจับไ่แล้วก็ให้พิจารณาอย่างนั้นอยู่ <c oughs> อย่าไปทอถอย เพราะชีวิตของเราความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่มันยังมีอยู่มันยม่ต้องกระซับกระสาย ว, วุ่นวายมันในสี่งตา่างๆว่าเราเข้าใจตามเปจริงโดยเหตุที่ว่ามันไม่ทําให้เหลือรอนขังอดคือเห็นตามเป็นจริงหมดแล้วสิ่งวุ่นวี่วายมันนั้นไม่ใช่จิตไ ม, ไม่ไม่ใช่ใจมันจิ ต, ตั้งหัก ไปวุ่นวายอแต่ตัวใจแค่มันเฉยเข้าถึงใจเสมอเสมออย่างนี้ถ้ามันชำนี่ชำนานแล้วต่อไปก็สบายหรอกถ้าชำนานแล้วสบายจะทำอะไรแล้วยกลองทั้งมทุกสิ่งทุกอย่างอะอยู่ด้วยความสงบสงบามื่อไงยังทำงานใดมันหากสงบด้วยตนเองเหรอพูดไม่ไม่รู้เรื่องหรอกคนอื่น คนใดที่ทําความสงบแล้วรู้ด้วยตนเองจะอยู่จะกินจะไปจะมาจะพูดจะจะมันจักรแต่ว่ามันไม่ใช่กันวนเกี่ยวของกับของค น, นความสงบอยู่ต่างหากอันนั้นเป็นกิริยาการพูดจาภาษะสายทุกประการต่างๆเป็นอาการกิริยาในมีชีวิตอยู่ก็ต้องทําไปตามเรื่อง ให้มันมีภายนอกภายนอกคนเราภายในคือความสงบภายนอกคือสิ่งที่วุ่นวิุ่่นไปกระทับกระสายเดือดร้อนทุงนั้นเรียกว่าของภายนอกแต่ว่าความสงบภายในมันมีมันนั้นเรียกว่าคนมีศาสนาอยู่ในตัวถ้าหากว่ายุ่งตันของภายนอกทั้งหมดเดือดร้อนทั้งหมด นี่ได้ของบไปนอกไม่มีสาสตร์สายในตัวเป็นโรคแท้จงตั้งใจต่อหน้าดังอธิบาย